ข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้หนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาไหนทับมือซ้ายวางไว้บนตักนับตานึกพุโทโธในใจให้ใจของเราตั้งเที่ยมตั้งมั่นธรรมะที่อาจจะมาสะแสดงไปธรรมะจะเข้าทางหูรู้ถึงใจ เราเพียงกระทำใจของเราไว้กำหนดใจของเราไว้เท่านั้นไม่ต้องสงใจมาที่เสียงของธรรมะให้ธรรมะนี้เข้าทางหูและจะลงไปสู่ใจเองธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราตัวเราเรียกว่าตัวธรรม จึงเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมได้แก่ร่างกายมีธาตุทั้งสี่ดิน น, นน้ำไฟลมสมผลและปันหนังมีแข่นขามือเท้าศีสัตว์อย่างนี้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาได้แก่ความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาได้แก่ความจำได้หมายรู้สังขารได้แก่ความปรุงแต่งวิญญาณได้แก่ความรู้สึกนึกคิดทั้งสี่ประการนั้นเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรา การแสวงหาธรรมะก็แสวงหาในตัวของเรานี่เองพิจารณาอยู่ในตัวของเรานี้ในรูปธรรมและนามธรรมจนเกิดความสงบขึ้นมาในใจความสงบนั้นคือสงบจากอารมณ์อารมณ์นั้นคือความนึกความคิด ความนึกความคิดอิตธารมเรียกว่าความนึกคิดไปในทางที่ดีอานิฐารมคือความนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอารมณ์เสียหรือความนึกคิดดีก็เรียกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ของคนก็มีอยู่สองอย่างคืออารมณ์ดีกับอารมณ์เสียทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านทั้งสิ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมานั้นคืออะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็คืออุปาทานอุปาทานนั้นได้เกิดความยึดมั่นความยึดถือที่เราพากันยึดอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าอุปาทานยึดว่าเราเป็นหญิงยึดว่าเราเป็นชาย ยึดว่าเป็นทรัพสมบัติยึดว่าเป็นเงินทองเข้าของยึดว่าเป็นป่าไม้ภูเขายึดว่าเป็นดินดอนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปถือเอาเหล่านั้นเรียกว่าอุปาทานคือความยึดความยึดถือไว้ที่ใดที่นั้นก็เรียกว่ายึดมั่นเรายึดมั่น สิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเรียกว่าความยึดมั่นเมื่อความยึดมั่นมีอยู่ที่ใดเราก็จะต้องฝังจิตของเราคือฝังความนึกคิดไว้ที่นั่นเมื่อถึงบทถึงบาทถึงเวลามันก็ขุดออกมาเหมือนดอกเห็ดเดี๋ยวมันออกมาสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งไป สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ปรุงแต่งไปการปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งของจิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดีๆก็สร้างวิมานบนอากาศคือหมายความว่านึกคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าสร้างวิมานไปอันนี้เรียกว่า ความฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและเป็นอันตรายกับจิตจิตของเรานั้นเมื่อถูกความฟุ้งซ่านครอบงำหรืออารมณ์ต่างๆครอบงำมากเขา้าจิตจะสูญเสียพลังไปตามลําดับเมื่อมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียมากเขา้าความสูญเสียพลังของจิตนี้ ก็จะมีขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงต่ำลงไปจนกระทั่งถึงต่ำสุดจิตของเรานั้นธรรมดาธรรมดาก็พอทานไวแต่ถ้ามันมากไปมันก็ทานไม่ไหวเมื่อทานไม่ไหวอะไรจะเกิดขึ้นคือความเศร้าหมองของใจใจของเราก็เกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองอันนี้ ที่ก่อให้เกิดความโทมนัสความโทมนัสกค็คือความเร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกว่าในใจนี้มันเต็มไปด้วยความผิดหวังเรียกว่าโทมนัสอันที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นภาวะของจิตที่เสียกำลัง เมื่อเสียกำลังมากเข้ามากเข้าก็าเรียกว่าสู่ไปถึงขั้นต่ำสุดเมื่อไปถึงขั้นต่ำสุดแล้วเพราะเหตุที่เราไม่สามารถจะท่านจะต้านทานอารมณ์ต่างๆไวมันก็เลยเกิดความวิปริตของจิตความวิปริตของจิตก็คือความเพิ่มหรือความหลงไหลความเพิ่มความหลงไหลเกิดขึ้น เพื่อจมมองไปเห็นผิดเป็นชอบไปหมดความดีก็เห็นว่าเป็นความไม่ดีความไม่ดีก็เห็นว่าเป็นความดีเหล่านี้คือจิตที่ลดระดับต่ําสุดแล้วเมื่อลดระดับลงไปถึงขั้นนั้นให้เรียกว่าจิตต่ําหรือเรียกว่าจิตสามเมื่อถึงขั้นจิตต่ําจิตสามนั้นก็เป็นอันว่า ใครใก็ฉุดไม่ไหวแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงปัตตภานคือหมายความว่าเป็นปัทะปรมะแม้จะแนะนำสั่งสอนเพียงใดเขาก็ไม่ต้องการฟังคือพวกนี้อสุตังไม่อยากฟังอทัทสนังไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ไม่อยากฟังคำสังสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่ า, าสุตตังอาตันนัมอยู่ในภาวะที่ต่ำสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นคนจัมพวกนี้สามารถสร้างบาปกรรมสามารถสร้างความชั่วคือความบาปนี้ได้มากในสิ่งที่ไม่น่าที่จะทำได้แต่พวกนี้ทำได้ เพราะเหตุว่าจิตนั้นได้ลงสู่ระดับต่ำแล้วเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบธรรมอันวิเศษได้มาพบหย่ยรธรรมได้มาพบอนุตต ร, รธรรมที่เราพากันปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ ต้องเท่ากันกับว่าจิตของเราไม่ได้ลงอยู่ในภาวะนั้นมีแต่ที่จะสูงขึ้นตามลำดับไม่ได้มีการต่ำลงมีแต่การสูงขึ้นพระฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่มาปฏิบัติตามธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าเราได้พัฒนาจิตนี้ให้สูงขึ้นตามลำดับ จากความเป็นปุถุชนมาเป็นกันลยาณชนจากกัลยาณ์นัชนนั้นก็สูงขึ้นมาเป็นอริยชนที่เราพากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมนาเป็นเรื่องที่มีความสูงและเป็นเรื่องที่มีความดีและเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐทําไมจึงได้กล่าวเช่นนั้น เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเช่นนั้นบุคคลผู้ใดได้พากันมาปฏิบัติในทางธรรมะบุคคลผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะองค์ทรงตรัสอย่างนี้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือ เป็นผู้ที่มีเหตุผลเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาย่อมจะต้องไปยืนอยู่ในเบื้องหน้ามีความเจริญเป็นสิ่งที่จะต้องมีแก่บุคคลผู้นั้นความเจริญนั้นหมายถึงความเจริญในทางธรรม เพราะว่าสิ่งที่เราพากันปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่สามารถจะนับว่าเป็นราคาเท่าไรเราจะนับได้ไหมว่าเมื่อจิตของเรารวมไปครั้งหนึ่งนั้นจะเปรียบเทียบกันกับเงินที่เรามีอยู่นั้นเท่าไรลองเปรียบดูถ้าเราเปรียบเงินว่ามีเราเปรียบเงินได้แสน เท่ากันก็ว่าจิตรวมครั้ ง, งก็ถือว่าเราเปรียบเทียบผิดแล้วเพราะว่าเงินแสนนั้นไม่สามารถที่ป้องกันนรกหรือป้องกันอบายภูมิได้แต่จิตที่รวมไปครั้งหนึ่งนั้นสามารถที่จะป้องกันอบายภูมิได้ผู้ที่ทําจิตรวมแม้แต่ครั้งเดียวผู้นั้นยังถือว่า มากกว่าเงินที่นับจํานวนหลายล้านจึเงินจํานวนหลายล้านนั้นจะมาเปรียบเทียบกับจิตรวมหนึ่งครั้งเปรียบเทียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทําจิตให้สงบหรือทําให้จิตรวมแม้แต่ครั้งเดียวนั้นอันนี้จะเป็นนิสัยเมื่อเวลาเราละจากโลกอันนี้ไป จิตที่รวมไว้นี้จะเป็นนิ ส, ยสัยส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีความไปพบแสงสว่างและสามารถที่จะพัฒนาจิตได้โดยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าพวกเราได้ฝึกมาเป็นเวลาหลายปีและได้ฝึกมาเป็นเวลาจำนวนนับสิ บ, ส บ, สบปีหรือมากกว่านั้น จิตของเราย่อมจะต้องรวมหรือจิตของเราจะต้องสงบมากมายหลายสิบครั้งหรือเรีย ก, กว่าหลายร้อยครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่สามารถที่จะนับและไม่สามารถที่จะประมาณได้เพราะเหตุนั้นการที่เราเสียสละเวลามาและการที่เราตั้งใจปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเลีอยกว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นเราพ า, พากันพยายามเสียสละทำกิจการงานเพื่อสแสวงหาเงินทองเท่าของมาเราก็เสียสละกำลังกายกาลังใจของเรานั้นมากมายหรือเกินเรียกว่าบางทีทำแทบสายตัวแทบขาดอย่างนี้เราก็ยังทํา ส่วนที่เราจะมาทำในหน้าที่ของเราที่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐนั้นเราก็ยังทำน้อยกว่าที่เราจะแสวงหาการเยี่ยมชีพหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอีกมากมายเพราะเหตุการที่เราพากันมาสแสวงหาธรร ม, มะนั้นเราได้เจียดเวลาส่วนเหลือ ที่ได้มากระทำกันแต่บางคนนั้นไม่ได้เก็บเวลาส่วนเหลือได้สละเวลาทั้งสิ้นมาปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าผู้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้รับผลได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติสินสมาธิปัญญาที่เราได้เกิดทำนั้น จึงได้ชื่อว่าเราเป็นผู้รักคือเป็นผู้รักตัวของเราตัวของเรานี้เป็นที่รักเรารักตัวของเราเรารักอะไรเรารักตัวของเราเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาและชื่อว่าเราเป็นผู้รักตัวของเราโดยแท้ คนที่ไม่ได้ปฏิบัติศินสมาธิปัญญานั้นเขาจะกล่าวว่าเขารักตัวของเขานั้นแม้เขาจะกล่าวเพียงใดก็ไม่ชื่อว่าเขารักตัวเขาไม่ได้รักตัวสักหน่อยมีแต่ว่าไปรักสิ่งที่เหลวไหลหรือเรียกว่าโลกมันยาโลกที่เองอาศัยอยู่นี้เขาเรียกโลกมันยา เรียกว่าโลกมันยานั้นได้ในคำที่พระพุท ธ, ธองค์ทรงตรัสว่าเอธาปัสสิมังโลกรรังจิตังรัชถูปมังยัตถะคาลามิสีนันตินัตถิสังโฆวิชานตังซึ่งแปลเป็นใจความว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันเต็มไปด้วยมรนระยา อันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นี่เป็นคำแปลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสแก่พระอภัยยูมานเพื่อที่จะให้มองดูโลกว่าโลกนี้มันเป็นอะไรเอธาปัสสกิมังโลกัง ลองคิดดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าโลกนี้เป็นโลกมารยาถ้าเราจะมองไปโดยทั่วๆไปนั่นก็สมจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าโลกนี้ที่เรามีชีวิตอยู่นี่คือเป็นโรงเป็นโรงละครโรงใหญ่โรงละครที่เรามีฉากแสดงกัน แตเดี๋ยวก็เป็นตัวพระแต่เดี๋ยวก็เป็นตัวนางแต่เดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นพระราชาแต่เดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นเสนาบดีเดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นทหารเป็นประชาชนเป็นคนเป็นพ่อค้าก็สวมใส่กันไปแต่พอเลิกจากการเล่นละครแล้วเอาหัวโขนออกมันก็มันก็เท่านั้น แต่เมื่อเวลาเอาหัวผลใสเราก็พากันหลงจนกระทั่งหลงเอาจิงจริงจังๆการที่หลงโลกมัญญานั่นเรียกว่าหลงหัวผลที่เขาสวนใสเมื่อสวนใสเข้าไปแล้วก็ไปออกท่าทางกันต่ๆๆางๆนานาพวกที่เต้นก็เต้นตามกันไปสารพัดเป็นที่น่าขำ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหน้าขำที่คนทั้งหลายพากันหลงอยู่ในโลกนี้กั น, นหนักหนาแต่แท้ที่จริงนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพียงมารยาเท่านั้นทําไมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรามีฤทธิ์ที่จะไม่ตายในที่สุดจะสวมหัวโขนแค่ไหนมันก็ลงอยู่จุดหนึ่งคือความตาย ็จสิงลงไปเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะสวมหัวผลใหญ่โตเพียงแค่ไหนเขาก็เอาไปไม่ได้ในที่สุดก็ถูกเผาไฟโดยสิ้นเชิงร่างกายของเราก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ข้าฐานเท่านั้นที่เหลืออยู่ในที่สุดถึงที่สุดเป็นเช่นนั้น ถ้าฉะนั้นข อ, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์จึงได้ทรงตรัสอธิบายถึงหนทางที่เราจะเดินไปสู่สันติสุขพระ อ, องค์ทรงตรัสว่านาทีสันติมารังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขที่เสมอด้วยความสงบไม่มีเป็นการตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส อันนี้พระองค์ทรงเกิดไว้เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นหนทางที่จะให้เกิดความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นคือการทําจิตให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือการเป็นสมาธิจิตรวมนั้นคือจิตเข้าสู่พวัง แล้วก็หายหวังลงไปแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งอยู่นิ่งๆในที่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิถ้าหาพวกความอยู่นิ่งๆในที่นั้นน่ะมันอยู่ไปได้นานก็เป็นสมาธิอุปจาระถ้ามันอยู่ได้เดี๋ยวๆมันก็เป็นสมาธิขณิกะ หรือถ้าหาคนมันอยู่ได้อย่างนานที่สุดเท่าก่ามั่นคงที่สุดก็เรียกว่าอัปนาความที่เข้าไปรู้อยู่โดยที่ไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาคือไม่มีอารมณ์ที่จะเข้ามาก่อให้เกิดความทุกข์สันมีแต่การเข้าไปสงบอยู่อันเดียวนั่นแหละเรียกว่าจิตเป็นสมาธิการที่จิตไปเป็นสมาธิแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากเมื่อไปเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทําให้จิตของเรานี้ที่สูญเสียพลังไปนั้นจะเพิ่มปูุนพลังขึ้นเมื่อสงบไปเช่นนี้หลายครั้งเข้าจิตนี้ก็กลับกลายเป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังนั้นก็เรียกว่าพละ อย่างที่ท่านแสดงว่าศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละภละแปลว่าคนคนแปลว่ากำลังเมื่อจิตนี้ก็ไปสงบเป็นสมาธิดำกล่าวแล้วหลายครั้งเขา้าก็กลับกลายเป็นพลัง Gone. จิตเรียกว่าสมาธิพลัง เมื่อกลับกลายไปเป็นพลังจิตเช่นนี้แล้วเพื่อจะกลับกลายมีกระแสจิตกระแสจิตนั่นเป็นกระแสที่มีความแหลมคมและเป็นกระแสที่มีความสว่างสวัยและมีกระแสที่สามารถที่จะมองไปได้ทะลุลุกลงไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มาบังอยู่กี่ร้อยกี่พันลูก จิตนั้นสามารถที่จะมองทะลุไปได้หมดอันนี้เรียกว่ากระแสจิตกระแสจิตนั้นถ้าหากว่าได้รับการอบรมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจุดนั้นเรียกว่ากระแสที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงคือกระแสที่จุดที่ดังกล่าวนี้เป็นกระแสที่มีความชํานิและชนานาญ ความชำนิชำนาญในกระแสนั้นสามารถที่จะทำงานอะไรก็ได้บางคนที่ปรากฏเห็นแสงสว่างนั้นบางทีก็เกิดแสงสว่างเราก็เห็นแต่ว่าเราจะไปทำอะไรในแสงสว่างนั้นก็ทำไม่ได้เพราะว่าแม่ยังไม่ได้เกิดความํานานถ้าเกิดความทางานแล้วภายในแสงสว่างนั้น เราจะทำอะไรก็ได้อ น, นั่นเรียวกว่าเกิดความชำนานเมื่อเกิดความชำนานในแสงสว่างนั้นคือเกิดทำอะไรก็ได้ในแสงสว่างนั้นท่านก็ให้ทำในมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนั้นคือการพิจารณากายที่ท่านแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสี่ว่ากายเยกายานุปสีวิหารติ พิจารณากายในกายเวทนานุปัสีวิหรติพิจารณาในเวทนาจิตตานุปัสสนาก็เรียกว่าพิจารณาในจิตธรรมานุปัสสนาก็เรียกว่าพิจารณาในในธรรมมาหาสติปัฏฐานมีสี่ประการเมื่อมีสี่ประการนั้นกระแสะจิตที่มีความชํานาญนั้น ท่านก็ให้เดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานการเดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าหากว่าจะทำอย่างอื่นมันยากเราก็เดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานซะเมื่อเราเดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลัก พระมหาสติปัฏฐานนี้ทำบุคคลให้สำเร็จได้ผู้เจริญมหาสติปัฏฐานนั้นอย่างช้าเจ็ดปีก็ได้สาเร็จอย่างเร็วเจ็ดวันก็ได้สำเร็จที่ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานและการที่จะให้กระแสจิตพิจารณากายนั้นเราจะทำอย่างไรท่านให้พิจารณากายนี้ มีร่างกายของเราและร่างกายคนอื่นมองดูทีตั้งแต่สีรษะถึงเทา้ทาเท้าถึงศีรษะแล้วก็ลอกหนังออกไปลอกเนื้อออกไปเห็นกระดูกท่านเปรียบเทียบเหมือนกันกันกบคนที่ชำแหละโคเขาชำแหละโคแล้วเขาก็เอามีดกรีดให้หนังโคนั่นมันลอกเปออกไปแล้วก็ปาดเนื้อแล้วก็อันไหนเป็นเนื้อสันเนื้อขา อันไหนเป็นอันไหนเป็นเครื่องนในอะไรต่างๆก็ดึงกันออกมาเปรียบเทียบกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานก็พิจารณากายของเราหรือกายใครก็ได้ลอกหนังออกไปแล้วก็ลอกเนื้อออกไปแล้วก็สับออกไปเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วท่านก็ให้เหลือแต่กระดูกโดยคำบาลีว่า อันเยนะชังพัทธิกรรมอันเยนะอันเยนะหานุษิกรรมอันเยนะพา ห, หัติกรรมเป็นต้นอันเยนะแปลว่าให้มันกระเด็นไปทางอื่นอันเยนะหานุษิกรรมคือกระดูกคาอันเยนะพา ห, หัติกรรมคือกระดูกแขนอันเยนะชังพัทธิกรรมคือกระดูกแขง่งกระดูกต่างๆนี้ให้มันเกิดจัดเกิดใจกันทิ้งออกไป แล้วก็ให้ละลายสูญเสียไปในบรรยากาศไม่ให้มีอะไรเหลือแล้วก็กลับคืนมากำหนดจิตจิตทีทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเรียกว่าเจริญสติปัญญาเมื่อทำอย่างนี้บ่อยขึ้นไปแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นมันมีสิ่งเกิดขึ้นอยู่อันหนึ่งเรียกว่าญาณนะเรียกว่าญาณยานยานั้นคือนิพพายาณย่อมจะต้องเกิดขึ้น ถ้าเราพิจารณากายอันนี้ไปอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งก็พิจารณาสองครั้งก็พิจารณาหลายครั้งก็พิจารณาพิจารณามากเข้ามากเข้านี้มันจะไปถึงจุดแห่งการเพียงพอแก่ความต้องการเหมือนกันกันกบต้นไม้ที่ปลูกลงไปในดินใส่ปุ๋ยรดน้าเมื่อเวลามันโตขึ้นมาแล้วถึงเวลาแล้วมันจะผอหออกผล ฉันใดก็ดีผู้ที่พิจารณามหาสติฐานก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาไปแล้วพิจารณาไปแล้วซึ่งร่างกายอันนี้ดังเปล่าวแล้วหลายครั้งเข้าก็ไปถึงจุดหนึ่งเรีย ก, กว่ายิปิทายานคือความเบื่อหน่ายเมื่อไปถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นจุดที่จะประสบใกล้ต่อที่จะประสบผลสำเร็จ เมื่อใกล้ต่อที่จะประสบผลสําเร็จเช่นนี้มันก็มีพวกมารทั้งหลายเข้ามาปะจนเขาเรียวกว่าวิปัสณูปกิเลสวิปัสณูปกิเลสนั้นมันไม่ทําให้คนไปตกนรกหรือไม่ทําให้คนเป็นบาปแต่ว่ามันทําให้เกิดความล่าช้าท่านจึงไม่ให้ไปติดที่เรียวกว่าวิปัสณูปกิเลสนั้น ได้แก่ความละเอียดที่เกิดขึ้นในจิตความสาว่างไม่มีประมาณเกิดขึ้นในจิตความอ่อนละมนุนเกิดขึ้นไม่มีประมาณในจิตเรียกผมเหลือนะได้เป็นสิ่งอัศจรรย์เลือกเกิดอย่างที่เราไม่เคยพบอย่างที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าเราก็ได้ไปพบเราก็ได้ไปเห็นอย่างนี้เราก็นึกว่านั่นคือพระนิพพาน หรือนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจิตราอุคตนแล้วหรือนั่นคือเราได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแล้วอันนี้ตัางหากที่เป็นอัตตานุทิฏฐิทำให้บุคคลผู้นั้นต้องติดอยู่คือทำให้บุคคลผู้นั้นติดอยู่แค่นั้นก็เลยก้าวต่อไปไม่ได้ความจริงแล้วนิพพยานนว่าสิ่งต่างต่างอัศจรรย์อัศจริ์รที่เกิดขึ้นนั้น เราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ยึดถือว่าสาเร็จแล้วความก้าวหน้าของจิตก็จะก้าวหน้าต่อไปเมื่อก้าวหน้าต่อไปแล้วจิตนี้ก็จะถึงสึ่นพละเรียกว่าปัญญาพลังปัญญาพลังนั้นคือผู้ที่มีปัญญามีพลังแห่ง ปัญญาพลังแห่งปัญญาคือความเกิดขึ้นของนิพิทายานนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อนับครั้งไม่ถ้วนก็ไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ามรกคสมังคีไปประชุมมร์เมื่อจิตถึงซึ่งขั้นมร tha สมังคีแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นขั้นที่จะได้สำเร็จเรียกว่าพบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จิตนั้นจะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่เมื่อไปถึงสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่เช่นเราทำความสำเร็จในในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นความสำเร็จที่เรากระทำนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราเดินเข้าไปถึงเท่านั้นเอง มหาสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกันแต่การเจริญมหาสติปัฏฐานนั้นท่านก็มีข้อกฎบังคับอยู่ข้อหนึ่งว่าจะต้องมีพลังของสมาธิการพิจารณาถึงร่างกายนี้หรือการเจริญมหาสติปัฏฐานนี้ก็ให้เจริญอยู่ในช่วงระยะเช่นนั่งสมาธิครั้งหนึ่งก็เจริญ สักห้านาทีสิบนาทีพอสมควรแล้วเราก็ต้องอวนกลับมาทำจิตให้มีความสงบเสียเมื่อความสงบมากพอสมควรก็พิจารณาใหม่เมื่อพิจารณาพอสมควรก็สงบอันนี้เขาเรียกว่ามัตชิ ม, มาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัตชิ ม, มาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง การปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางนั้นคือหนทางพอดีจะมีความสงบก็สงบแต่พอดีจะมีการพิจารณามหาสติปัฏฐานก็พิจารณาแต่พอดีคือพอดีพอเหมาะซึ่งกันและกันถ้าทําไม่ให้เป็นมัชชิมาปฏิปทาคือไม่ให้เป็นการปฏิบัติ หนทางกลางหรือหนทางพอดีความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าทาแต่ความสงบอย่างเดียวจิตสงบไปสบายไปเรื่อยเรื่อยสบายจนกระทั่งหยิกไม่รู้สึกตัวแหละหรือว่าเข้าไปก็มหายไปเลยอย่างนี้อยู่อย่างนั้นก็ตกไปสู่โมหะอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิมากไป หรือถ้าพิจารณากายก็พิจารณาอยู่นั่นแหละไม่รู้จักหยุดจักหย่อนก็มากไปอเรียกว่าพิจารณาสติปัฏฐานมากไปก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านคือพิจารณากายมากไปก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านถ้าพิถ้าทําความสงบมากไปก็ตกไปหาโมหะท่านจึ ง, งให้ทําแต่เพียงพอดี เมื่อพิจารณาพอสมควรนั้นไหลออกหมดแล้วก็กลับมาอยู่ที่จิตเมื่อกลับมาอยู่ที่จิตพอสมควรแล้วก็พิจารณานี่คือการทํางานของสมาธิหรือเรียกว่ามหาสติปัฏฐานข้อที่สองของมหาสติปัฏฐานคือเวทนาเวทนานี้ทุกเวทนานั้นไม่ไม่เป็นประการสําคัญนะัก แต่สุขเวทนานี่เป็นประการสำคัญมากอย่างที่เราไปเจอวิปัสสนูปกเกลสมีความสุขมีความสบายมีความหอมใสสะอาดอะไรอันนี้แล้วเราก็ไปติดยึดมั่นอยู่ในที่นั้นว่าสำเร็จตรงนี้แหละที่เรียกว่าเวทนาเพราะว่าเวทนาคือความสวยสุขสวยทุก เวลาใดเราไม่ได้ทำไม่ได้สมความตั้งใจเราก็เสียใจว่าทำไมวันนี้เราทำไม่ได้สมความตั้งใจอันนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าฉะนั้นท่านให้พิจารณาว่าความสุขและความทุกข์เหล่านี้ไม่อย่าไปยึดถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเสียแล้วเราก็ไม่ยึดดีก็ช่างชัวว่วก็ช่างเรามีหน้าที่จเจริญ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรก็เจริญไปในข้อที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจิตนั้นได้แก่ควางนึกความคิดความนึกความคิดนั้นเราจะเอาเป็นนิยายไม่ได้เราจะเอาเป็นจริงเป็นจังหนักหนาย่อมไม่ได้บางทีมันก็นึกถึงพระนิพพานก็ได้บางทีมันก็เน้ถึงสวรรค์ก็ได้ บางทีมันก็นึกถึงนรกก็ได้บางทีมันก็นึกไปก็ทำให้ครุ้มคลุ้มพลังบางทีนึกไปก็ทำให้เกิดความเอิอินมอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งสองอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างต้องพิจรารณาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความนึกความคิดเหล่านี้คิดเมื่อเช้า อย่างหนึง่งคิดตอนเย็นอย่างหนึง่งคิดเมื่อวานนี้อย่างนึงได้คิดเมื่อก่อนก็อย่างนึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดถืออยู่ในความนึกคิดแล้วเราก็จะต้องหลงท่านจริงให้กําจัดว่าไม่ใช่ตัวตนเสียธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมอารมณ์ธรรมารมณ์ก็ดังกล่าวแล้วว่าเป็นอารมณ์ อารมณ์นั้นดีบ้างอารมณ์นั้นชั่วบ้างเราก็ปล่อยตามเรื่องของมันการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเกี่ยวกับธรรมอารมณ์นั้นคือการปล่อยวางไม่ใช่เราจะไปยึดไปถือเอาอารมณ์มาเป็นเกณฑ์ถ้าเราไปยึดถืออารมณ์มาเป็นเกณฑ์นี่เราก็จะคุ้มคลั่งอีกเช่นเดียวกันไม่ควรจะไปยึดถือ ถ้าเรายึดถือก็เรียกว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานถ้าเราไม่ยึดถือก็ถือ ว, ว่าเราเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัฏฐานนี้จึงเป็นเรื่องเปรียบประดุจจะชายภูมิอย่างที่ข้าสึกจะรบกันเนี่ยใครอยู่ชายภูมิดีกว่าคนนั้นก็ชนะใครอยู่ที่ชายภูมิที่เก้กว่าคนนั่งก็แพ้ มหาสติปัฏฐานปเปรียบประดุจใจเยาภูมิที่ดีเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายได้ใัยยภูมิอันนี้ก็สามารถที่จะห้ำหั่นข่าศึกคือกิเลสข่าศึกศัตรูคือกิเลสเราทำสงครามกับกิเลสแล้วเราก็ได้ชัยชนะด้วยเหตุคือมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานในพระพุทธเจ้าแสดงที่ปุรุรัก พระองค์ทรงสแสดงที่ปุรุรักษนั้นก็ทําให้บุคคลเจริญมหาสติปัฏฐานได้ผลเป็นอันมากถ้าเราเจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ดีเราก็ควรจะกําหนดดังที่อตมาได้อธิบายมานี้เป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐานเรื่องของมหาสติปัฏฐานนี้สามารถที่จะ ทำจิตนี้ให้หลุดพ้นได้แล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือถูกต้องตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี่ก็สมาธิกันต่อไป